น้อมๆต่อคุณพระรัตนตรัยข้าวการหลวงมะกลมพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนตธรรมิบุท่านเจริญธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านเนาะอืมก็นอนมันจะมีช่วงวันอาสาบูชาเนาะจริงๆระหว่างสามอาบุชาเนี่ยพระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรกับวรนัสูตรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นวันที่เกิดพระนาตรัยคือพระผู้เป็นธรรมสงศ์ คือพระยาคุณญาท่านบดรุธรรมแล้วก็วกขอบวชเป็นพระสองฆ์องค์แรกในพระศาสนาแต่จริงๆแล้วมันมีสาระสำคัญนะคือวันนั้นเป็นวันที่ พ, พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง อ, อริสัตสีเนาะอริสัตสีนี่เป็นหัวใจหลักเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทีพ่พระพุทธองค์หรือพวกเราทั้งหลายต้องเวียนว้ายใต้เกิดนับนะ พ, พุทธชาติไม่ท้วน เพราะว่าไม่รู้อริยสัจ4ีนั่นเองนะเพราะฉนั้นอริยสัจสี่นี่จึงเป็นเป็นหัวใจหลักของภาษาศาสนาแม้แต่สัมมาทิฏฐิก็ต้องอ่าก็คือเราไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองนะถ้าเรารู้อริยสัจ4นั่นแหละแสดงว่าเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะเพาะนันเออตรงนี้เราก็ต้องกลับมารู้ให้ความสําคัญกับอริยสัจ4ี่เป็นอย่างยิ่งนะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละ ครนะาวนี้ทุกเนี่ยก็คือนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเรารู้จักไหมเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราไม่รู้จักทุกแล้วเราเราจะไปละทุกได้อย่างไรเนาะหลายๆคนก็ไม่รู้จักความทุกใช่ไหมบางทีบอกว่ามาปฏนะิบัติธรรมกันนะถามปฏิบัติธรรมไปทําไมบอกปฏิบัติธรรมแล้วความทุกก็จะลดน้อยลงเขาก็บอกก็ไม่เห็นมีความทุกอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จึงไม่ปฏิบัธรรมนะี่คื อ, ค, อคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้กันเป็นแบบนี้ก็ก็คือ ไม่เห็นความทุกข์นั่นเองนะครา้นี้ถ้าคนเห็นความทุกข์เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีที่เห็นความทุกขนะ์นะครั้นี้ทุกข์เนี่ยมีอะไรนะบางทีเราก็จะสวดธรรมบเช้าทุกวันแต่จริงๆแล้วก็มาดักในธรรมจักนี่แหละก็บอกว่าชาติเป็นทุกขา์าความเกิดก็เป็นทุกข์เชืราเป็นทุกข์ขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ ข, ขความตายก็เป็นทุกข์ โสกกับปริเทวทัตถุกระทมนักสุปายาสาปิทุขาความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์นะการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดผ้าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุบัตนขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนาะ ก็คือขันห้าก็คือตัวเรานั่นแหละกายใจนั่นแหละเป็นตัวทุกขนะ์นีอันนี้เป็นสิ่งเราต้องกลับมารู้นะมีมีความทุกข์จริงไหมใช่ไหมเนี่ยมันต้องเห็นให้ได้เนาะถ้าเราไม่เห็นไอ้กายใจมันเป็นทุกข์มันก็ไม่หาทางออกจากความทุกข์นั่นแหละมั น, ม, นมันจึงว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวแรกไนงะอเลสสัสก็เป็นตัวแรกต้องกลับมารู้จกักทุกข์นะกลับมารู้จกักทุกข์กลับมาสัมผัสมาเห็นมันนะให้เห็นให้ได้เนาะ ถ้าเห็นไม่ได้มันก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ตอนนี้เราเป็นทุกข์หรือยังใช่เนะเห็นไหมเนี่ยบางทีตอนนี้อาจจะง่วง่วงเนอะอาอาจจะเบื่อเบื่อเออาอาจจะเมื่อยนั่งนเมื่อยใช่มออะไรทั้งหลายแหละอาจจะหิวเนอะมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นใช่หมแล้วมันก็แก้ทุกข์กันไปใช่หมก็ต้องดูเออมันทุกข์จริงไหมเนะ มันจริงๆแล้วความทุกข์มันมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราเราสังเกตเขาได้ไหมต่างหากใช่ไหมย่งเมื่อกี้ที่ว่ามาเยอะแยะเลยการประสบกับสิ่งที่รักการพัดผ่านจากสิ่งที่รักปรนนาสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นๆเนี่ยมันเป็นความทุกข์กันอันนี้คือสิ่งเราเคยประสบมาแล้วนะแต่เราเราไม่เคยกลับมาเรียนรู้เขาเนาะตอนนั้นะบางทีเราก็จะเห็นว่าบางคนก็ไปฆ่าตัวตายใช่ไหมอันนี้เขามีความทุกข์ใจใช่ไหมจึงไปฆ่าตัวตายนะ แต่คนพิการเนี้ยคนพิการเขาไม่สนัญําไม่เคยได้ฆ่าตัวตายหรอกเพราะว่าร่างกายนี่ยเขาเขาทนได้แม้แต่พิการนะบางคนอขาด้วนแขนด้วนอะไรมันก็ยังทนได้ตาบอดหูหนวกก็ทนได้ก็ไม่ร่างกายดีๆมีอาการตายสองทุกอย่างเลยบางคนก็เป็นรวยด้วยแล้วไม่ไปฆ่าตัวตายใช่ไหมเพราะมันมันมันทุกข์ใจใช่ไหมทุกข์ใจมันมันจึงอันตรายน่ากลัวมันมันเป็นความทุกข์นะ ฆ่าตัวตายได้แล้วแสดงไม่ต้องทุกข์มากใช่ไหมทุกข์มากจึงมีฆ่าตัวตายหรือบางทีฆ่าตัวเองตายไม่พอไปฆ่าคนอื่นตายนะบางทีฆ่าฆ่าคนตายไปฆ่าลูกเมียตายเองมันมันมันไปฆ่าคนอื่นอะไรฆ่ากันลักหนาลูกเมียยังไปฆ่าเลยบางคนนี่ไม่พอไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีมันอันตรายมากนะมันมันมันเป็นความทุกข์ในใจนะเป็นความทุกข์มันแสดงมามะ แสดงปุ๊บมันทนไม่ไหวก็เป็นความโกรธเป็นโทสะบ้างอะไรอย่เงี้ยไปฆ่าคนเขานะมันเกิดจาความทุกข์ท่านเลยนะอะถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่โกรธหรอกใช่ไหมเนี่ย ม, ม, มันจริงว่าต้องเห็นไหมความทุกข์เนี่ย ม, มันน่ากลัวใช่ไหมอ่ะคนนี้เราเห็นความทุกข์แล้วนะเราต้องเห็นจริงไหมในสมัยพุทธกาลอ่ะจะมีผู้ที่เห็นความทุกข์ได้บรรลุธรรมได้เร็วนะเช่นนางปตาจารานะ นางกีสาโคตรมีอะไรเนี่ยมีความทุกข์มากฟังธรรมแป๊บเดียวบรรลุธรรมเลยนะหรือแม้แต่พระอืโมคคณาสารีบุตรนี่จริงๆท่านก็เห็นความทุกข์ใช่ไหมไปดูรงละครนี่ก็เห็นความทุกข์โอ้มันมันไม่น่าดูลงละครไม่น่าดูก็เริ่มสแสวงหาธรรมแสดงท่านเริ่มเห็นความทุกข์แล้วนะหลังนั้นท่านก็นบรรลุธรรมเนาะอันเนี้ยก็คือเราเราก็เห็นความทุกข์ก่อนเนาะ ต, s <S 1941, ต้องหาให้เจอนะหาไม่เจอก็ต้องพยายามหาให้เจอนะถ้าไม่เจอมันจะไม่มีกําลังใจปฏิบัติธรรมเนาะมันไม่มีไม่มีแรงเพียงพอนะแต่เรารู้สึกมันมีความทุกข์จังเลยพอเราปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าเออความทุกข์มันก็ลดน้อยลงมันก็เห็นไปรูปธรรมใช่ไหมการปฏิบัติธรรมมันช่วยให้ความทุกข์ลดน้อยลงก็เลยมีกําลังใจแต่ถ้าเราไม่ไม่เห็นความทุกข์มันก็ไม่มีกำลังใจคือไม่รู้จะปฏิบัติธรรมไปทําไมเพราะเราก็ไม่มีความทุกข์เราก็ไม่รู้ปฏิบัติธรรมไปทําไมก็เลยไม่มีแรงจูงใจเนาะ เนีพราะความทุกข์ก็จึงดีมันเหมือนกับเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราตั้งใจปฏิธรรมเนาะอันต่อมาก็คือสมุทยัยนะก็มีบางบางศาสนานะเขก็บอกว่าเออมีความทุกข์นะให้ไปละความทุกข์นะเช่นละความโลภความโกรธความหลงจริงๆมันก็ละยากนะความทุกข์มันก็ละยากเพราะจริงจริงพระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้ไปละความทุกข์แต่ว่าทุกข์เนี่ยเราก็ต้องรู้รู้รู้ความทุกข์ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะอ่าใช่ไหม ครั้นี้นะมันไม่ได้เป็นละความทุกแต่เปย่างไหนละสมุไทยนะพระเจ้าบอกสมุไทยเป็นสิ่งต้องละใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนะเราจึงมาค้นหาสาเหตุการเกิดทุกข์กันนะสมุไทยคือสาเหตุการเกิดทุกข์เนะี่ยมันสําคัญถ้าเรารู้สาเหตุการเกิดทุกข์ได้แล้วก็ไปละละมันได้เมื่อละสมุไทยคือสาเหตุได้ความทุกข์ก็หมดไปเนาะเท่านั้นเองใช่ไหมครัน้นี้สมุไทยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ ยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคาสตาตะตรตะตาพินันทินีอ่าสมุทัยก็ได้แก่ตันหานั้นนั่นเองนะอันนำไปสู่การเกิดใหม่นะได้แก่ความเพลิดเพลินในสิ่ง ต, งต่างเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งอันได้แก่เสยธิทางกามตันหาก็คือการเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโธทพธรรมลมนะ คือเราเนี่ยส่วนมากเราก็จะเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเพราะเรามีตานะตานี่ยก็เรียกว่าเป็นประตูใจนะตาเห็นรูปสวยๆเห็นที่ชอบใจมันก็ส่งนะส่งเข้ามาที่ใจให้เกิดเวทนาคือความชอบใจนะชอบใจผู้ชายเห็นผะู้หญิงสวยๆก็เกิดความชอบใจนะชอบใจปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวทนาแล้วมันก็เกิดตัณหาต่อมานะตัณหาคือนะความ ถ้ายันอยากในอารมณ์เหล่านั้นนะมันก็อยากจะไปพูดไปคุยไปรู้จักไปขอเบอร์โทรศัพท์อยู่บ้านอยู่ไหนชื่ออะไรมันก็ดิ้นลนในใจอันนี้มันเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วนะจริงๆเวทนาเนี่ยมันยังไม่ถึงตัณหาแต่พอมันดิ้นลนปุ๊บมันจะเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาเลยนะเราก็โอ้มันก็อะไรเงี้ยหูได้ยินเสียงเพลงเพราะๆหรือใครพูดเพราะๆเราก็ชอบใจนะก็เกิดเวทนาขึ้นมา เราเรก็เกิดปัญหาคือความทะยานอยากในในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใช่ไหมเนีมันมันเกิดตรงนี้นะตรงเนี้ยมันมันก็จะส่งแรงเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นยึดติดต่างๆนะดิ้นรนนะมันก็อุปทานก็เกิดพบเกิดชาติต่อมารนั้นมันก็เกิดตัญหานั่นเองเนาะหรือเราเราเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เกิดทุกเวทนาเกิดความไม่ชอบต่างๆไม่พอใจ นะนะมันก็เป็นเวทนานันก็ใจก็ดิ้นหลนเกิดตันหาก็คือความทยานอยากในลมเหล่านั้นเพราะฉนั้นมันก็เหมือนกันนะลิ้นกระทบรสไะจมูกได้กลิ่นนะร่างกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือใจนึกคิดอะไรมันก็เป็นมันมันเป็นเหตุให้เกิดตันหาได้ทั้งนั้นนะเพราะสภาวะต่างๆเนี่ยมันมันวิ่งไปตามระบบของปฏิจจสมบัตนก็คือเมื่อตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าตาเนี่ยเป็นเป็นอายดานะมันก็กระทบ รูปเนี่ยมันก็เกิดผัสสะผัสสะคือการกระทบเกิดขึ้นนะแต่ถ้าตานะบางทีเราเรามองไปแต่เราใจลอยนะบางทีคนเดินผ่านหน้าเราก็ยังไม่รู้เลยผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ไม่ไม่เรียกเป็นผัสสะผัสสะคือการรับรู้ในรูปนั้นมันเกิดการรับรู้ปุ๊บมันเกิดผัสสะขึ้นมานะผัสสะมันก็เกิดเวทนาคือความชอบใจไม่ชอบใจหรือเฉยเฉเมื่อเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหานะคือความทยานอยาก เมื่อเกิดตัณหาเกิดวัฏฐานคือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดวัฏฐานก็เกิดภพเกิดชาติอเกิดภพนะภพเปานปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะความทุกข์ต่างตามมาอันนี้คือกระบวนการของปฏิจจสมบาติหรือกระบวนการทํางานของจิตนั่นเองนะมันเป็นการทํางานของจิตเพราะนั้นมันก็เป็นกระบวนการของมันนั่นแหละไม่ใช่เราเนาะคราวนี้เราก็ ปัญหาแนละ้วมันก็ตรงนี้รูปเพื่อกินเสียงนะตรงนี้เราก็ต้องรู้ทันไม่ไปเพลิดเพลินกันนะเพราะนั้นจริงบอกว่ามันเป็นนันทิราคะนันทิราคานะา ค, าคือความเพลิด <c oughs> เพลินเพลิดเพลินเป็นอารมณ์ต่างๆนะัมันเป็นความยึดติดยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานไปนะมันก็ต้องรู้เท่าทันในตรงนี้เนาะต่อมาก็คืออันที่สองก็คือภวตัญหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะบางทีเราทํางานในทั้งโลกเราก็อยากจะมีตําแหน่งสูงๆนะ แิ่ต่ามันมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีการดินนน้นรนในทางใจนะมันอยากได้อะไรก็แล้วแต่มันดิ้นรนนะมันคือคือสายความทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมบางทเพื่อนเราได้สองขั้นทําไมเราได้ขั้นเดียวถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะขั้นเดียวมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็ได้กันแต่เราคิดเล้วทำไมเพื่อนได้สองขั้นเราได้ขั้นเดียวเราก็ทุกข์เลยเพราะเราใจมันมีการดินน้นรนอยากจะได้สองขั้นใช่ไหม แต่ได้ขั้นเดียวเหมือนกันหมดมันก็ไม่ดิน้นรนแต่เพราะเพื่อเราได้สองขั้นมันก็ดิน้นรนใช่ไหมเพราะเรามีความอยากได้ใช่ไหมอยากได้มากขึ้นอะไรทั้งหลายน ะ, ะเราเราขับรถโตโยต้าทําไมเพื่อนเรามันมันจบมาพร้อมกันมันขับรถเบนแล้วขับรถเบนแล้วทั้งทั้งในี่ใครใก็ขับโตโยต้าแต่เราไปคิดถึงเพื่อนโอ้ขับรถเบนแล้วนะ เรารู้สึกเราน้อยหน้าใช่ไหมเราใจก็เกิดการดิ้นรนอยากจะขับเบนบ้างใช่ไหมเนี่ยใจมันดิ้นรนใช่ไมจริงจริงเราไม่ตัวต้ามันก็ดีถมไปแล้วใครๆก็มีกันนะแต่เมื่อใดที่ใจเกิดการดิ้นรนอยากจะได้ที่มันอะไรทั้งหลายแหล่นั่นนะมันก็มันก็เป็นความทุกข์เนาะมันบางทั้งทั้งนี้มันก็มีอยู่แล้วแต่มันก็มีความทุกข์เนี่ยเพราะใจมันมีการดิ้นรนมันอยากได้อยากมีอยากเป็น อะไรทั้งหลายแหละนี่แหละหรือเราไปบัตธรรมเราก็อยากได้อยากได้ทําสูงๆอยากบรรลุธรรมเร็วๆอยากเป็นพระรยาเจ้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจริงๆก็มันก็ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราก็รู้ว่านั่นนะมันก็เป็นการดิ้ลรนของใจนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อเทียนบอกว่าอยากยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะก็คือเราไปบัตธรรมได้เราก็อยากจะเราก็อยากเป็นนั่นแหละเราก็รู้ในใจเราว่ามันก็อยากเป็นแต่เราก็เราก็ทํำด้วยความฉันทะก็คือทํำด้วยความพอใจ แล้วก็วางใจดีๆนะมันได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ทำไปง่ายเป็นพุทธบูชานะพุทธบูชาก็ได้ไม่ต้องได้เป็นอะไรนะเรก็เมื่อเราไม่เมืม่อเราอยากจะได้ในชะ่มเออมามาวัดสัก้าวันเจวันอยากจะได้นะอยากจะบรรลุธรรมนะ <c oughs> เราพอเราไม่ได้เราก็มีความทุกข์เลยไหมันะเป็นตันตัญหา <c oughs> มันอยากได้ปรารถนาสิ่งได้ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะ มันมีตัณหาอยากจะได้บรรลุธรรมเมื่อมันไม่ได้ก็เป็นความทุกข์เห็นไหมเพราะมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหานั่นเองใช่ไหมนะเห็นไหมกิดจาตัณหาเราอยากจะได้มันเห็นไหมเพราะฉนั้นเราก็ไปบัตรทำไปไม่เป็นไรได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันสบายกันต้งเยอะใช่ไหมอ่ามันมันก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแต่ก็ต้องทำนะไม่ไม่ดิ้นรนขึ้ไม่ทําแต่ทําด้วยความพอใจอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อความพอใจมันก็ไม่เป็นตัณหาก็คือมันก็ทํา ทำด้วยความพอใจมันได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็วางใจเฉยๆเนาะไม่ใช่ว่าบางวันนี้เาทำดีแล้วก็ดีใจวันนี้เรามีสติดีจังเลยรู้สึกตัวทั้งวันเลยแล้วก็ดีใจใช่ไหมเห็นไ่มมันจันทร์หามันดิดหลนอลไรไ่มมันดีใจเนี่ยมันเป็นความทยานอยากเห็นไหมพอวันอีกวันนึ่งปฏิาัติแล้วมันไม่ดีวันนี้มันหลงมากมันไม่ค่อยรู้สึกตัวเลย มันก็เกิดความไม่พอใจตัณหาก็ดิ้นรนแล้วนะไม่พอใจเองขึ้นมาแล้วมันทํางานนั้นนะคือมันอยากจะดีพอมันไม่ดีเพราะว่าความอยากดีไม่เป็นตัณหาพอมันไม่ดีมันก็เลยมีความทุกข์มันเป็นตัณหามันเนาะมันเพราะมันดิ้นรนอยากเอาดีมันไม่ดีมก็มีความทุกข์มันก็คือตัณหานั่นเองแต่ถ้าเราทําเราปฏิบัติธรรมเข้าใจนะโอ้มันก็ไม่เป็นไรนะมันดีแล้วก็เฉยๆก็ไม่เป็นไรก็ลูกไปโดยใจเป็นกลางๆเนาะ แล้วกรณี้พอมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ด้วยใจเป็นกลางๆก็ดูมันนั่นแหละเพราะมันทั้งดีทั้งไม่ดีก็คือเราก็บังคับเขาไม่ได้บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีเขาแสดงความไม่เที่ยงอยู่แล้วนะมันก็แสดงเขาไต้ลักเห็นเหรอเราก็บังคับเขาไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รู้เข้าไปเท่านั้นเองใช่ไหมเนีเราก็รู้ความเป็นกลางๆนี่แหละนะอันนี้ต่อไปก็ตันหาทุติยภามก็คือวิภาวตันหาอันนี้คือการผักใส การที่เราไม่ชอบใจก็ผักใส่สิ่งต่างๆนะอะไรทั้งหลายแหละนะมีความโกรธก็ผักใสไม่อยากโกรธใช่ไหมอันเนี้ยเราไปผักใสได้ไหมผักใสไม่ได้น ะ, ะครูบาอาจารย์บอกให้รู้เฉยๆใช่ไหมมันอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆนะรู้ซึ้งๆรู้เฉย ๆ, ๆ, ๆก็ไม่เป็นไรเราไปบัติธรรมไม่ใช่มันมันต้องเอาดีใช่ไหมไม่ต้องไปบัติธรรมแล้วมันจะต้องดีทุกๆครั้งใช่ไหม แต่บธรรมเพื่อว่ารู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองตามความเป็นจริงก็คือมันก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เมื่อเราบังคับเข้าไม่ได้เขาก็เป็นเช่นนั้นเองบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีใช่ไหมอ่ามันก็เลยรู้เฉยๆได้นะมันเราก็มีความโกรธก็ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นมันก็เป็นการการทํางานของสภาวธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเราแต่ว่ามันทํางานตามกระบวนการของจิตนะอย่างที่ว่ามาแล้วนะ เมื่อมันกระทบพัรษะมันก็เกิดเวทนามันเวทนาก็เกิดตัณหาเกิประทานมันเป็นการทํางานของจิตใจที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นการทํางานของใจนะเราก็รู้ไปโอ้ตอนนี้นะมีความกลัวขึ้นมาในใจเราเราก็รู้ไปเท่านั้นเองเนาะแล้วก็รู้เฉยๆรู้ซื้อๆไม่ต้องไปจัดการไม่ดีนะจัดการให้มันดับเลยอันนั้นนะมันมันมันคล้ายๆว่าเราไปยุ่งเกี่ยวไปจัดการเนี่ยเขานะมันจะมีตัวตนเราเข้าไปอยู่นะ ตัวตอะไรอยางก็ดีแล้วก็ไปจัดการมันนะแต่เราดูมันเฉยๆมันจริงๆมันแสดงความเกิดดับเพราเราเห็นนะเพราะความโกรธหรือลมทั้งหลายแหลมันไม่ได้ตั้งตลอดกาลนานหรอกมันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเนี่มันก็เกิดปัญญาตรงนี้นะอารมณ์ทั้งหลายแหลก็มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับมันก็เห็นสภาวะธรรมเนี่ยถ้าเราเห็นตัวนี้มันก็เกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ใช่ไหมมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเนี่ย จะมาเหมือนกับที่พระกุณธยานะเห็นสิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดไปธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยท่านเห็นแค่นี้ท่านบรรลุปเป็นพระโสดาบันเลยนะเพราะในการเห็นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะมันก็ต้องใจเย็นๆนะ อ, อารมณ์อะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรอมันมาแล้วก็กดูมันเฉยๆนะรู้ซึ้งรู้เฉยๆมันก็มาแล้วก็ไปเนี่ยใช่ไหมเราก็คอยดูตามความเป็นจริงเท่านั้นเองใช่ไหมนะเราก็เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นใช่ไหมเนานะ ตอนนี้เมื่อเราตรงนี้ปั๊บเราก็คือเมื่อเราไม่ผักใสมันก็มันก็เฉยเฉยนะมัแต่เมื่อไรที่ผักใสมันก็มันก็เลยมีแต่ความไม่ชอบใจดิ้นรนของใจเหมือนกันดิ้นรนในการผักใสเมื่อกี้มันดิ้นรนจะเอานะแต่ครั้นี้มันดิ้นรนจะผักใส่อะไรมั้ยอ่ามันเป็นการดิ้นรนของใจทั้งหมดเลยมันไม่ได้รู้เฉยเฉยเนาะนี่แหละคือสาเหตุการเกิดทุกเนาะเพราะฉะนั้นก็คือสมุทัยก็คืออ่าตันหาสามนั่นนั่นเองนะก็ได้แก่การไม่ตันหา ภาวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอนะอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภาวตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนาะต่อไปก็เป็นนิโรธนะครั้นี้บางคนเขาคิดว่า อ, อพระนิพพานนี่อยู่ไกลนะอยู่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเมืองเมืองหนะึ่งน่ะหรือว่าไกลมากไนะกลไกลมากอนาคตการคอยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าน้นเถินะมันมันรู้สึกมันไกลมากเนาะครั้งนี้ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้ว คือพุทธศาสนานี่มีแค่เมื่อตีแล้วจะเป็นแค่2ประเด็นนั้นนั่นเองคือประการแรกก็คือให้เรารู้จากความทุกข์ประการที่2ก็คือให้ปเพื่อความดับทุกข์นั้นเพราะเห็นไหมว่าสุดท้ายของพุทธศาสนาเป้าหมายคืออะไรก็เพื่อเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นเองนะเพื่อความดับทุกข์นะเพราะนั้นมันก็มาตรงกับนิโรดนั่นแหละเพื่อความดับทุกข์นะนิโรกคือความดับคําว่านิโรกแปลว่านิโรกแปลว่าดับทุกข์นิโรกก็คือการดับทุกข์อันนี้แหละคือเป้าหมายของศาสนาเพราะเป้าหมายศาสนา ความดับทุกข์นี่แหละคือนิพานใช่ไหมเพราะเมื่อเป้าหมายสูงสุดคืออ น, นิพานก็คือความดับทุกข์นั่นเองใช่ไหมมันดับทุกข์ต้องเป็นในดับทุกข์ในอานาข้ตกระเบื้องห น, น้านโน่นเทินไหมใช่ไหมหรือว่าต้องไปดับบนสวรรค์ไหมก็ไม่ต้องนะก็คือดับในปัจจุบันนี้แหละในชาตินี้ในปัจจุบันนี้แหละมันต้องดับในตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันต้องดับดับในขณะนี้ด้วยใช่ไหมอ่าคราวนี้มันจะดับอย่างไรเนาะก็มีบอกว่า โยตัสลาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรโทรจาโคปนิสสะโคมุตติอนาลโยเนาะก็คือการการดับดับทุกขหรือทุกนิโรก็คือโยตัสลาเยวะตันหายะอเสสาวิลาคะ <c oughs> วิลาคะก็คือการคลายออกของตันหานั้นนั่นเองการคลายออกคลายออกคือเมื่อจิตมันเข้าใจในการปฏิธรรมแล้วนะ มันมันมันเริ่มเข้าใจมันจะเกิดการคลายตันหาออกมาคือมันไม่ต้องอยากได้อะไรแล้วมันก็คลายออมาแล้วมันก็สังเกตได้เราคลายไหมหรือว่ามันอยากมีมากมายมันก็สังเกตมันใจมันคลายไหมมามันก็เกิดการคลายเกิดขึ้นเนาะเนี่ยมันสังเกตได้ไหมมีการคลายไหมมวิลาคะต่อไปก็นิโรธคือการดับไม่เหลือของตันหาเนาะต่อไปคือจาโคคือการสลการสลของของตัหา ปฏินิสโคคือการสลัดคือนตัณหาอนาโโยคือการทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คืออนาโโยนะคือการทําให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นนั่นเองนะตัณหาเมื่อมีที่อาศัยปุ๊บก็เป็นไงเมื่อตัณหาไม่มีที่อาศัยมันก็คือดับทุกนั่นเองก็คือนิโรธเนาะเพราะฉะนั้นตัณหาคืออะไรตัณหาก็คือตมุทัยเมื่อทําสมุทัยให้หมดไปแล้วมันก็คือนิโรธนั่นเองเนาะเพราะนั้นสรุปแรกก็คือนิโรธก็คือการดับตัณหานั้นโดยหมดสิ้นเนาะ ถ้าเราจับประเด็นได้มันก็ไม่ยากนะก็คือเราจะได้รู้ว่ า, าหัวหน้าโจรเป็นใครอย่างนี้นะถ้าเราจะปราบโจมนมาบางทีมันปราบแล้วมันไม่รู้จะเจอ ห, ห, หัวหน้าหรือปาบไปปราบลูกน้องเอาหัวหน้ายังอยู่เลยนะหัวหน้าอยู่ลูกน้องก็ ก, ก็ต้องแพร่แพร่หลายต่อไปใช่ ไ, ไหมแต่เมื่อเราปราบหัวหน้าปุ๊บลูกน้องก็ตายหมดใช่ไหมมันกะ็ตรงนี้ต้องปาบหัวหน้าโจรเนาะเพราะฉะนั้นหัวหน้าโจนก็คือตัณหาเนาะเมื่อเราเข้าใจนี้เราก็สังเกตตัณหาค่อยสังเกตเห็นเขาอะไรอย่างนี้นะ เราก็จะได้ดับดับได้ดับได้ง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะไปดับอะไรนะเราต้องสังเกตคือความทยานอยากในใจเราคือการดิ้นรนในใจเรานะในหุนทางอะไรก็แล้วแต่ทั้งดีทั้งไม่ดีมันเป็นการดินน้นรนเราก็ต้องสังเกตให้ทันเนะะาะคราวนี้ต่อไปก็คื อ, อคราวนี้นี่โลดก็ต้องทำให้แจ้งนะต่อไปก็คือมรคมรนี่ก็ต้องทาให้เกิด <c oughs> มรนี่ก็มีอยู่8อย่างเนะาะอริมรนมีองค์อันแ้วก็ได้แก่ สามมาทิฏฐินะก็คือการเห็นพระอริสสีนั่นเองนะต่อมาก็สัมมาสังกับโป <c oughs> ก็คือการมีความคิดชอบหรือดัมิชอบเช่นดัมิในการออกจกาการเป็นต้นนะดัมิในการไม่พยาดพยาบาทไม่โกรธต่อไปก็คือเจรจาชอบนะก็คือการพูดจาชอบเราพูดจาที่ดีๆนะไม่พูดโกหกอะไรทั้งหลายและ ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอร์เจอรไม่พูดอสอดเสียดเนาะ <c oughs> ต่อมาก็คือสัมมากรรมโตก็คือการงานชอบเนาะต่อมาสัมมาชีวก็คือมีอาชีพชอบนะอาชีพชอบอไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสตาวุธเป็นต้น <c oughs> ต่อมาก็คื อ, อสัมมาวายโามคือมีความเพียรชอบนะความเพียรเนานะเราก็มีความเพียรกันเนาะ ความเพียรแต่ความเพียรชอบนี่มันก็เน้นในการบิธรรมเนา ะ, ะคือความเพียรชอบน่ยมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมแต่อันนี้มันน่าจะเน้นในการบิธรรมมากกว่าเพราะหลังจากนี้แล้วมันจะกลายเป็นสติเป็นสมาธิไปเพราะมันเริ่มในความเพียรชอบมันก็คือเน้นในการบติธรรมเนาะแต่แล้ถ้าเราเพียรชอบในทางโลกก็ถือว่าเราก็เป็นวิริยะมีความขยันมีความอดทนเนะ <c oughs> าะคราวนี้เราก็มีความเพียรชอบแล้วก็เป็นอย่างไรต่อมา ก็คือสัมมาสตินั่นเองก็คือความระลึกชอบนะสติก็คือความระลึกชอบมีสติก็คือระลึกได่นะมาถ้าเราดูในนักธรรมตรีนะเราก็เห็นแล้วว่าธรรมที่มีอุปกรณ์มากมี2อย่างก็คือสติคือความระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะระลึกได้ว่าเราหลงไประลึกว่าได้กําลังกุ้งร้างระลึกได้กําลังโกรธกาลังรักกำลังชังนะระลึกได้ขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะ ขณะนี้กําลังนั่งอยู่กําลังทําไปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสติแล้วก็สัมมัญญะสัมย ญ, ญาก็คือการรู้ตัวนั่นเองกําลังทําอะไรอยู่เมื่อเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็คือสติเนาะเพราะมันต้องควบคู่ไปน ะ, ะต้องมีทั้งตสติทั้งสัมชัญญะด้วยเนาะ <c oughs> ก็เรียกว่าตรงเนี่ยเมื่อเรามีความระลึกได้ไบ่อยๆเราก็สามารถที่จะกลับมาได้ได้ไวใช่ไหมบางทีถ้าเรานั่งนิ่งๆนะมันก็จะวิ่งไปตัวอยู่วัดแต่ใจไปบ้านแล้วใจไปเที่ยวแล้วนะ ตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวแล้วกลับมารู้สึกตัวไหมสร้างยังหวาใ่ไหมหรือเดินยังกลมเนี่ยพอเรารู้สึกตัวปุ๊บกําลังเดินอยู่มันรู้สึกตัวมันก็กลับมาใช่ไหมหรือว่าสร้างหวามันก็กลับมาเพราะอะไรเพราะมันรู้น่ะรู้อะไรรู้น่ะก็ใจรู้ใช่ไหมใจรู้น่ะเมื่อใจมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลับมาใจไม่รู้มันก็ไปใช่ไหมเพราะว่าใจมันรู้ไหมเราสุภาษิใจมันรู้ไหม เรายกมือใจรู้ไหมนะยกมือใจไม่รู้มันก็ไปยกมือใจรู้มันก็กลับมาเท่านั้นเองนะเราเดินยงกลมันกันนะเดินยงกลมใจรู้ไหมนะใจไม่รู้มันก็ไปใจรู้มันก็กลับมาเนาะเพราะใจมันรู้มันรู้ไหนรู้ที่ใจนะเมื่อรู้ที่ใจใจก็เลยกลับมาเพราะใจมันรู้แล้วนะเนาะเราก็ว่าเออกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะดูกายก็เห็นจิตนะดูกายเราสังเกตที่กายรู้กายยกมือรู้กาย ก็เห็นจิตใจเราน ะ, ะจิตใจเรากลับมาแล้วน ะ, อะพอรู้จิตก็เห็นธรรมนะรู้จิตรู้ความคิดรู้จิตก็เห็นธรรมเนาะเห็นธรรมก็คือเห็นปัตยรักนั่นเองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หน้าตาไม่ตัวไม่ตนนี่แหละเนาะนะ่ยต่อไปก็สัมมาสมาธิก็คือใจตั้งมั่นชอบใช่ไหมบางทีบางคนบอกว่าเออสมาธิคือคือใจสงบนะอันนั้นก็คือใจสงบเนาะแต่มันไม่เป็นสมาธิแต่สมาธิกคือ ใจตั้งมั่นชอบเน่ยเปิดในพระไตรปิฎกดูก็ได้มันก็คือใจตั้งมั่นชอบเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อใจตั้งมั่นชอบเน่ยเมื่อเรามีสติแล้วนะใจก็สามารถตั้งมั่นได้เลยนะมันตั้งมั่นได้มันเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิแล้วนะก็คือมีสมาธิในการรู้กายรู้ใจนั่นเองน ะ, ะกายเคลื่อนไหวใจก็เป็นผู้ดูนะใจคิดนึกใจก็รู้ใจเป็นผู้ดูไปเนะี่ย คือใจมันตั้งมันแล้วมันก็รู้หมดากายใจเป็นไงมันก็รู้มีความค่องแคล่วว่องไวเขาเรียกว่าจิตมันตื่นรู้นะอันนี้เป็นสม า, มาธิที่แน่นอนน ะ, ะมันจะตรงกันข้ามกับที่ไม่เป็นสม า, มาธินะ น, นั้นก็สงบนิ่งๆเฉยๆแต่ว่าไม่ตื่นรู้แล้วก็ไม่ว่องไวทำไมก็ตรงเนี้มันจะเป็นสมาสมาธมิเพราะฉนั้นถ้าเรา <c oughs> เราจริญมสตินะมันก็เกิดสมาสมาธิเกิดปัญญาได้ใช่ไหมมันเกิด จิตตั้งมั่นนะเมื่อจิตตั้งมั่นก็เห็นปไตยรักเนี่ยมันเดินเลยสติสมาธิปัญญามันเดินตามแนวนี้เลยนะมันมันเป็นหนทางตรงนะเพราะมันเริ่มจากอะไรก็เริ่มจากสติก่อนเมื่อเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันเกิดจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็เห็นปะไตยรักเห็นกายและใจแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันตายเราเห็นเนาะมันจริงๆมันแสดงอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นปไตยรักคือร่างกายจิตใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันตา มันก็เลยถอดถอนอุปทานในความเป็นตัวตนของเราใช่ไหมมันก็เลยย้อนมันที่เมื่อกี้บอกว่าว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะอุปทานขันทั้ง5ก็คืออุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นเน่ยอุปทานขันขันทั้งห้าก็คือกายใจเพราะว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5้าคือตัวทุกข์นั่นเองนะเมื่อเราถอดถอนอุปทานได้แล้วคือถอดถอนยังความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจของเราได้แล้วมันก็เลยออกจากความทุกข์ได้นะมันก็เลยจบในตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นมันก็คือกลับมารู้รู้ในตรงนี้น ะ, ะเพราะนั้นในในมรรคนิยมันสามารถสรุปให้สั้นลงก็คือศีลนะสติสมาธิปัญญานี่แหละเมื่อเราปฏิบัติในขนทางนี้เราก็เรียกว่าเป็นมันชฌิมาปฏิปทาคือขนทางสายกลางเนาะเมื่อใดปฏิบัติตามขนทางสายกลางนี้เราก็สามารถที่บรรลุพระนิพพานได้นะมันก็เราเรียกว่ามันก็เป็นขนทางตรงนั่นเะองพระพุทธเจ้าบอกว่า ที่พระองค์ในทรงเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าพวกเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วพวก น, น้ำชายไม่ทัวเนี่ยเาะว่าเราไม่รู้จักอริสัทธีนั่นเองเนาะเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักอริสัทธีแล้วหนทางแห่งการเวียนว่ายแต่เกิดมันก็สั้นลงน้อยลงอาจนสามารถบรรลุพระนิพพานได้ในที่สุดเนาะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระละไตรน้อมน้ำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วบรรทุกท่านเถิด